เวปสีสนามาตุจากกุมานตาสสิลีมโตสิกิตสปินามาตุสาภปุตานุกรมปิโนเวสะพูสนามาตุนาตากาสตาปสีโนนามาตุกักุสันทะสมาลเสนาปมาภิโนกน ขมนาสนมาทุปรามนาสุสีมโตกาสะปะสนมาทุเวปโมตาสะสะพฏิอังลาสนมนาทุสักยปวดตาสสิรีมาโตโยอิมังธรรมอัมมาเทเสสิสะปุทุขะปโนนทนังเยจารินเนปุตารโรคยะถา ภูตังวิปัสสิสงเตชนาอปิสุนะมหันตาวิตาสารทานเต ว่ามนุษสานังยังนามัส <forcé> ส <Deus> <ored> ิโคตมังเวชจารณสัมพันนังมหันตังวิตาสารทางเวชจารณสัมพันนังพุทธังวันทะนโคตมานตี